จิตหดหู่เป็นเพียงจิตแบบหนึ่งเดี๋ยวก็คลี่คลายกลายเป็นจิตแบบอื่นถ้าเศร้าบ่อยๆโดยไม่รู้ว่าเศร้าเรื่องอะไรอาจเป็นเพราะกําลังใช้ชีวิตยังน่าเศร้าใจโดยไม่รู้ตัวการหาสาเหตุด้วยวิธีคิดมักไม่เจอเพราะเราจะลงนึกว่าเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนี้พอพยายามไปแก้ที่เหตุเสร็จ ก็รู้สึกว่ายังคาใจอยู่ดีวิธีเดียวที่จะรู้ตัวว่ากำลังใช้ชีวิตอยู่บนทางของความสุขหรือความเศร้าคือการเฝ้ารู้ดูให้เห็นว่าลอยใจคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องตอนไหนขยันพูดกับใครในเรื่องออกอาวและชอบฝืนทำสิ่งใดที่คานกับความรู้สึกปึกที่จะยอมรับอารมณ์ทุกสุขให้ได้ก่อน พอเห็นภาวะทุก์ภาวะสุขทั้งใจชัดแล้วรู้สึกว่าไม่เที่ยงแน่แล้วเหตุผลที่แท้จริงของแต่ละสุขแต่ละทุก์มันถึงจะปรากฏโดยปราศจากความเข้าข้างตัวเองเคลือบไว้และถ้าหากเจริญสติรู้มันทุกอย่างที่ขวางหน้าอะไรเกิดก็รู้อารมณ์ไหนเด่นสุดก็รู้อารมณ์ไหนอ่อนสุดก็รู้ เรารู้ทุกอย่างว่ามันต้องต่างไปเองเป็นธรรมดาก็มีเหลืออารมณ์ตกค้างแม้แต่เพียงหนึ่งเดียวพูดง่ายๆคือต้องลงทุนทำกันนานและมีสติรู้ทุกเหตุไม่ใช่แค่คิดหาสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งกันง่ายๆครับและอาการรู้ก็มีสองแบบฝืนรู้กับยอมรับรู้ ถ้าฝืนรู้ยังไงก็ไม่หายแต่ถ้ายินยอมรับรู้ฝึกให้เกิดอาการแบบนี้บ่อยๆเป็นร้อยเป็นพันครั้งต่อวันจะไม่มีความเศร้าใดกินใจเราได้หากไม่รู้จักทำสติให้เจริญขึ้นเพื่ออ่านวารา จ, จิตตนเองให้ออกเป็นขณะขณะต้นเหตุเล็กใหญ่ของความเศร้าหมองจะมีอยู่มากมายเกินกว่าจะนับและเกินกว่าจะบอกตัวเองถูกว่า กำลังเศร้าเรื่องอะไร